หลังจากฝึกสติจนพร้อมจะรู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกได้เป็นปกติแล้วเราจะสามารถรู้สึกถึงรายละเอียดอื่นๆของลมหายใจได้ทั้งหมดสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้ดูเป็นลําดับต่อมาก็คือเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้น ใจความโดยสรุปก็คือจะหายใจยาวหรือหายใจสั้นไม่สำคัญไม่มีอะไรผิดถูกไม่มีอะไรดีกว่าหรือแย่กว่าแต่สำคัญก็คือให้รู้ตามจริงในขณะ ห, หนึ่งว่าลมหายใจของเรามีความยาวหรือความสั้นแค่ไหนคนเราจะไม่หายใจยาวตลอดหรือสั้นตลอดแรกเริ่มถ้ารู้สึกขาดลมหายใจมากร่างกายก็ต้องการลากลมเข้ามากหรือถ้ารู้สึกว่าลมเข้าไปเก็บอยู่มากก็อยากระบายออกมาม า, มากให้หมดเช่นกัน ทีนี้ต่อมาพอเริ่มรู้สึกอึดอัดเพราะการหายใจยาวร่างกายก็จะขอแค่ลมหายใจสั้นๆแทนทั้งเข้าสั้นและออกสั้นเมื่อสังเกตอยู่อย่างนี้เราจะเริ่มรู้สึกว่าความเป็นลมหายใจแต่ละครั้งไม่เหมือนเดิมต่างไปเรื่อยๆไม่ใช่ชุดเดียวกันและไม่สม่ำเสมอแสดงถึงความไม่เที่ยงได้อย่างชัดเจนและที่ไม่เที่ยงก็เพราะว่าเหตุปัจจัยของลมหายใจอันได้แก่ความต้องการทางกายนั้นแตกต่างไปนั่นเอง หลังจากรู้สึกถึงความไม่เที่ยงของลมหายใจได้ก็ถือว่าเราได้เห็นลักษณะต่างๆของลมหายใจเท่าที่ปรากฏให้รู้แล้วตรงนี้เองพระพุทธเจ้าตรัสให้ใส่ใจสังเกตว่าลมหายใจอันมีลักษณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเข้าออกยาวหรือว่าสั้นก็ตามล้วนแล้วแต่ถูกรู้ถูกสังเกตโดยเราซึ่งเราณนะบัดนี้ก็คือจิตคือสติคือความคิดสังเกตนั่นเอง เมื่อรู้สึกอยู่อย่างนั้นว่าเราเป็นคนละส่วนกับลมหายใจเหมือนตัวเรากับลมหายใจแยกเป็นต่างหากออกจากกันเราจะรู้สึกถึงภาวะความปรุงแต่งทางกายอื่นๆได้พระพุทธเจ้าให้ใส่ใจสังเกตว่าเมื่อใจเราไม่หลุกหลิกอาการทางกายก็สงบประ ง, งับไม่กวัดแกวงได้เช่นกันและในอาการสงบระ ง, งับนั้นไม่ใช่เป็นไปแบบนิ่งๆทื่อๆแต่ว่าเป็นไปในแบบนิ่งสบายทรงตัวอยู่ได้ด้วยอาการผ่อนคลายของกายและใจนั่นเอง เมื่ อ, อาการทางกายสงบระงับไม่อยากระดุกระดิกแล้วก็ไม่เมื่อยขบได้พักหนึ่งคุณจะเกิดความอิ่มอกอิ่มใจชุ่มชื่นสบายไปทั่วทั้งกายและใจที่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าให้ใส่ใจสังเกตอยู่ว่าสิ่งที่ปรากฏให้รู้ได้ทุกครั้งที่หายใจเข้าและออกก็คือความมีปิติบางคนอาจแค่อิ่มเอิบสบายบางคนอาจรู้สึกเย็นซ่านบางคนอาจรู้สึกซาบซาจะแตกต่างอย่างไรไม่สาคัญสาคัญที่ขอให้ทราบว่า สิ่งเหล่านั้นเรียกว่าปิติเป็นลักษณะของปิติที่เกิดขึ้นเรามีหน้าที่แค่รู้แค่ดูเฉยๆทุกลมหายใจเข้าออกเข้ารู้ว่าปิติออกรู้ว่าปิติไม่ใช่พอหายใจเข้าแล้วไปเร่งปิติให้แรงขึ้นหรือแกล้งลดระดับปิติให้น้อยลงหลังจากใส่ใจสังเกตปิติที่มาพร้อมลมหายใจเข้าออกระยะหนึ่ง กระทั่งไม่ตื่นเต้นหรือยินดีนร้ายกับความมีปิติแล้วคุณจะเกิดความสงบระ ง, งับขึ้นอีกระดับตรงนั้นความเย็นกายเย็นใจจะปรากฏเด่นกว่าปิติพระพุทธเจ้าก็ให้ใส่ใจสังเกตอยู่ว่าสิ่งที่ปรากฏให้รู้ได้ทุกครั้งที่หายใจเข้าและออกก็คือความสุขความสงบทั่วหายใจเข้ารู้ว่าเป็นสุขหายใจออกรู้ว่าเป็นสุขรู้อยู่แค่นั้นโดยไม่ต้องไปหวงแหนความสุขแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวความสุขด้วย แค่ยอมรับตามจริงว่าเป็นสุกสั้นหรือยาวแค่ไหนก็พอแล้วทีนี้พอเป็นสุกสงบระ ง, งับได้ทั้งกายใจพักหนึ่งคุณจะสามารถรู้สึกถึงความปรุงแต่งทางจิตไม่ว่าจะเป็นความฟุ้งซ่านความคิดอ่อนๆเป็นสา ย, สายหรือความผวงถึงเรื่องราวนอกตัวที่ให้ความรู้สึกเหมือนจิตยื่นออกไปเกาะเกี่ยวสิ่งอื่นอยู่คุณจะเริ่มเห็นเหมือนความคิดปรุงแต่งเหล่านั้นเป็นตั้งหากจากลมหายใจและจิต ก็เรียู้ไปทุกครั้งที่หายใจเข้าและหายใจออกเห็นสักแต่เป็นความปรุงแต่งทางจิตรู้ตามจริงว่ามันแยกเป็นต่างหากจากลมหายใจและจิตเมื่อรู้อยู่อย่างนั้นเราจะเห็นทุกระลอกคลื่นความคิดที่มันเกิดขึ้นว่ามันเกิดได้ก็ดับได้เป็นธรรมดาหลังจากเห็นว่าความคิดความปรุงแต่งทางจิตนั้นเกิดขึ้นได้แล้วก็ดับได้เป็นธรรมดาพักหนึ่งคุณจะรู้สึกเหมือนกับความคิด ความปรุงแต่งมันหายไปไม่เกิดขึ้นอีกจากนั้นพระพุทธเจ้าให้ใส่ใจสังเกตว่าจิตเป็นอย่างไรต่อพอไม่มีความคิดปรุงแต่งพอรู้สึกว่างๆเหมือนไม่มีอะไรให้ทําหรือให้ดูอีกแล้ว <ๆ S 1> ก็ขอให้ดูเข้าไปที่จิตนั่นแหละพอไม่มีความคิดสิ่งที่เหลืออยู่ให้รู้สึกได้ก็คือภาวะของจิตทั้งหมดนั่นแหละคือภาวะของจิตจิตปรากฏเป็นอย่างไรก็ให้รู้ไปอย่างนั้นหายใจเข้ารู้อยู่ที่จิตหายใจออกรู้อยู่ที่จิต เช่นนี้นับได้ว่าเราอาศัยลมหายใจรู้เข้ามาถึงปิติสุขและจิตตามลำดับแล้วส่วนใหญ่จ ะ, จะแสดงตัวเป็นภาวะนิ่งว่างก็ขอให้สังเกตว่านิ่งๆิ่งว่างว่างนั้นบางทีก็โปรง่งบางทีก็ทึบบางทีก็ตั้งมั่นบางทีก็กระเพื่อมไหวเอาแนวนอนไม่ได้หรือบางคราวถ้าเหมือนไม่มีอะไรให้สังเกตเลยคล้ายกับว่างเฉยแล้วก็ไม่มีอะไรอื่นแทรกแซง ก็ขอให้สังเกตว่าแท้ที่จริงยังอาจมีความชอบใจหรือไม่ชอบใจเคลือบแฝงจิตอยู่ได้ถ้ายังชอบใจหรือไม่ชอบใจได้นั่นก็คือจิตยังไม่ว่างจริงแล้ว